ถ้าถีนามิทะละถีนามิทะด้วยอโลกาสัญญาก็บอกว่าสัญญาในอโลกานิมิตอันเป็นค่าสึกต่อถีนามิทะง่วง ง, วงเนี่ยนะนึกถึงแสงสว่างนะฟังทำไปเคลิม้มไเรื่อยเรืยง่วงตาหนักไปเรื่อยเนี่ยนึกสว่างพักเดียวก็ตื่นตัวไปเยอะแหล ะ, ไ ม, ะไม่น่าเห็นมันมาก่อนเห็นพุ ก, กานะ้วถอดแว่นนะก็ดูสว่างโลง่งแล้วขับต่อไปได้ดเ <laughs> จนหว่นั้นอโลกาสัญญาเนี่ยนะละถีนามิทะ แต่คนที่ละแบบนี้ไม่ใช่ว่าสว่างแล้วจะได้ไปทําบาปอคุศสต่อเนี่ยไม่ใช่แบบนั้นคือหมายก็ว่าจุดเป้าหมายาเอ๊ทีนะมิท่าแทรกไปเรื่อยหนักไปเรื่อยใช่ไหมจิตเจตสิกเนี่ยหนักไปเรื่อยหนักหนักก็เอ๊ใส่ใจในความสว่างโลกแล้วก็จะได้เจริญกุศลธรรมต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้หมายถึงว่าสมมุติว่าคนที่มีสังเกตและเช่นตัวอย่างเลยนะขณะฟังธรรมนี่นะ ه, มันชักง่วงไปเรื่อยเนี่ยนะมันจิตมันหดหูจะสังเกตด้วยว่าทีน่ามิทะจะเข้าครอบงำในลักษณะจิตในหดหูแล้วทอแท้ท้อถอยเนี่ยนะถ้าลักษณะนี้ก็ใส่ใจในความสว่างไปนะก็จะตื่นตัวแล้วก็ฟังทำต่อเป็นต้นนะลักษณะที่เขาเจริญในลักษณะนี้แหละเรียกว่าเจริญอโลกสัญญาก็คงจะไม่ไม่ง่ายนะครับกว่าจะกว่าจะ โยนิสมนติการให้มันสว่างขึ้นมาในลักษณะที่เป็นอโลกาสัญญานี่นะครับกว่ามันจะสว่างขึ้นมาท่านเทศจบไปแล้วก็บอกว่าอโลกาสัญญาง่ายที่สุดนะถามลูกลูกว่าไงก็บอกว่าถ้าบอกก็จบเท่านั้นแหละอโลกาสัญญาเก <c oughs> <c oughs> ิดเลยจะบอกหมดเวลาแนละ้วโอ้โหตาสว่างหมดเลยโลกงนกล่าวถึงผู้ที่มีความชํานาญถูกไหมครับที่เคยเจริญจนคือเข า, นานเจริญกุศลเป็นอยู่แล้ว คือยกตัวอย่างนะอยากําลังเจริญเมตตาอยู่นะกำลังเจริญเมตานะเเมตาไปเรื่อยเอ๊ะทําไมมันหนักใจมันหนักไปเรื่อยหนักไปเรื่อยอมันเจริญไม่ค่อยออกะก็มาสายใจในความสว่างเพื่อให้มันตื่นตัวแล้วจะได้เจริญใหม่เขาก็จะสลับแบบนี้ไปในขณะที่จิตหดหูเนี่ยนะทีนามิทาก็คือจิตหดหูท้อถอยเนี่ยนะทะ้อถอยเกิดขึ้นเขาก็จะสลับกับการเจริญแบบนี้แล้วก็เจริญเมตตาไปสลับไป หรือเหมือนกับดูหนังสือก็เหมือนกันนะอ่านหนังสือเนี่ยนะดูโอ้มจะหนักไปเรื่อยหนักหนั ก, น, กนักเนี่ยนะยตานี่เปลือกตาปกติไม่เคยหนักขนาดนี้เลยก็ถอดแว่นก็ดูโน่นดูนี่เท่านั้นแล้วก็อ่านต่อก็พอได้ละลักษณะนี้ก็ช่วยได้แต่ไม่ใช่ว่าไปเพลินในอารมณ์อื่นอีกนะไปสว่างแล้วก็เพลินเลยอันนี้ยาวเลยอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเพราะฉะนั้นละทีนัมิท่ด้วยอโลกสัม ญ, ญาละอุทาจจะด้วยความไม่ฟุ้งซ่านอาวิเเคปะ ความไม่ฟุ้งซ่านเป็นชื่อของอะไรสมาธินะสมาธินี้เป็นตัวที่ไม่ฟุ้งซ่านเขาบอกว่าสมาธินี้เป็นปฏิปักต่ออุทจักโดยตรงเพราะฉะนั้นความฟุ้งซ่านต้องแก้ที่ทำให้มีสมาธิอันสมาธินี้ก็เป็นศีลด้วยนะถ้าวิจิกิจช้าละ่ะละวิจิกิจช้าด้วยการกาหนดธรรมนะละวิจิกิจช้าด้วยการกำหนดธรรม ท่านอธิบายว่าการกําหนดธรรมคือด้วยการวินิจฉัยตามความเป็นจริงซึ่งธรรมะทั้งหลายมีกุศ ล, ลเป็นต้นเอาเรื่องกุศลอกุศลเป็นต้นนี่นะมาแยกแยะวินิจฉัยโดยประการต่างๆอันนี้เป็นเหตุละวิจิกิจฉาเนี่ยนะเอากุศลมาวินิจฉัยอกุศลมาวินิจฉัยอภพยากตะวิบากกิริยามาวินิจฉัยหมดเลยลักษณะนี้เรียกว่าเป็นการกําหนดธรรม อาจารย์ทั้งหลายกล่าวว่านะดีกาท่านยกว่าอาจารย์บางท่านเนี่ยนะกล่าวว่าการกำหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยชื่อว่าการกำหนดธรรมเนี่ยนะเพื่อที่จะละวิจิกิจฉาใช่ไหมเพราะว่าวิจิกิจฉานี้เกิดขึ้นจะสงสัยอะไรสงสัยพระพุทธเจ้าสงสัยในคุณของพระพุทธเจ้าสงสัยในคุณของพระธรรมสงสัยในคุณของพระสงฆ์สงสัยในศีรขาหรือว่าสงสัยในอดีตเนะี่ยนะขันธ์ธาตุยตนาที่เป็นอดีต สงสัยในอนาคต os, ie, Stone, สงสัยในปัจจุบันสงสัยในอดีตเอ๊ะเราเคยมีหรือเปล่าน้อคือวิจิกิจชากับทิฐิมันจะใกล้ๆกันคือพอวิจิกิจชาเกิดปั๊บทิฏฐิจะแทรกเข้ามาสลับการระหว่างวิจิกิจชากับทิฐิอั้นก็จะสงสัยเอ๊ในอนาคตเราจะมีหรือเปล่านะเอ๊ถ้ามีแล้วจะเป็นยังไงนะอย่างเงี้ยพวกสงสัยลักษณะนี้เอ๊ปัจจุบันเนี่ยกายในของเราเป็นยังไงนะพวกเนี่ย วิจิกริชาพวกนี้จ้องแก้ได้ด้วยการกําหนดนามรูปพร้อมทั้งปัจจัยหรือเอาธรรมะแต่ละอย่างมาวินิจฉัยให้เข้าใจให้รอบรู้จริงๆก็จะละวิจิกิจชาได้แต่ว่าวิจิกิจชาในอัตถาสติปัฏฐานสูตรที่กล่าวถึงธรรมะเป็นเหตุละวิจิกิจชานั้นก็ขยายไว้ค่อนข้างกว้างขวางนี่ยก็ดูได้ในอัตถาสติปัฏฐานสูตรนิวร บ, บพระหรือว่าใน เอกานิบาตก็มีต่อไปบอกว่าละอวิชาด้วยยานแล้วก็ละอารติด้วยปราโมทตรงนี้ดีกาท่านอธิบายดีว่าคาว่าด้วยยานเป็นต้นเนี่ยจริงอยู่อันนี้จะสัญญาเป็นต้นย่อมสำเร็จแก่พระโยคีผู้ตั้งอยู่ในยาตะปริญญาได้ก็โดยการกระทาโมหะอันเป็นเครื่องขัดขวางการกำหนดนามรูป และการข้ามความสงสัยให้อยู่ในที่ไกลเห็นไนะเพราะว่าตั้งแต่วิจิกิจชาไปแล้วใช่หัหยการละวิจิกิจชานี้จะต้องอาศัยยาตะปริญญานะจึงจะละวิจิกิจชาได้ทีนี้อันหนึ่งพโยคีย่อมละอารติความไม่ยินดีด้วยความปรามโมทอันเป็นเหตุแห่งความยินดียิ่งในฌานสมาบัติทั้งหลายคาว่าอารตินะอารตินี่แปลว่าไม่ยินดี ในเสนาสนะอันสังกัดเนี่ยนะเข้าไปในที่เงียบเงียบเป็นต้นแล้วก็ไม่ยินดีไม่ยินดีในการเจริญกุศลธรรมอย่างนี้เรียกว่าอารติอารติทีนี้พอไปเจริญปราโมทเนี่ยนะทำให้ปราโมทเกิดขึ้นแล้วคือมีโยนิโสมนัสิการปราโมทเป็นต้นก็เกิดอันนี้เรียกว่ายินดียิ่งก็แต่ยินดียิ่งในเสนาสนะที่สงกัดแล้วก็ยินดียิ่งในการเจริญกุศลธรรมที่ต่อเนื่องเขาเรียกว่า น, นะพิรติเนี่ยนะครับความยินดียิ่งก็จะยินดียิ่งในการเจริญกุศลธรรมให้ชาติกุศลเป็นต้นเกิดขึ้นนันอาศัยปราโมทเมื่อความไม่ยินดีในฌานสมาบัตเหล่านั้นถูกบรรเทาเสียได้แล้วก็มีการบรรลุฌานเป็นต้นได้เพราะเหตุนั้นสมาบัติและวิปัสสนามีการบรรเทาอารติและการทําลายอวิชชาเป็นต้นเป็นอุบาย เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าละอวิชาด้วยยานละอารติด้วยปราโมทเนี่ยนะอันอวิชานี้จะต้องละได้ด้วยปัญญาจริงๆอรติอรตินี้แปลว่ายินดีอารติแปลว่าไม่ยินดีแต่คําว่าไม่ยินดีในที่นี้หมายถึงไม่ยินดีในเสนาสนะที่สงัดถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยนะไปอยู่ในที่เงียบๆแล้วไม่ชอบเลยหรือว่าไม่ยินดีในการเจริญกุศลธรรม นี่เรียกว่าอารติในอากังเขยสูตรเนี่ยนะกล่าวถึงอ น, นิสงส์ของศีลอยู่ข้อหนึ่งถ้าเธอปรารถนาจะละอารติพรา ง, งั้นเถอะก็ให้มีศีลเนี่ยนะละอารติดังนั้นข้อความในอัตกถาปปัญจสูทนีอัตกรถาอากังเขยสูตรท่านอธิบายว่าอารติได้แก่ความไม่ยินดีในเสนาสนะที่สงัด เรียกว่าความไม่ยินดีในการเจริญกุศลธรรมไม่ยินดีในการเจริญสมถาวิปัสนาอย่างนี้เรียกว่าอารติที่จริงนี่เป็นบ่อยนะเช่นยกตัวอย่างนะจะเอาธรรมะมาคิดสักธรรมะหนึ่งนะมันไม่อยากคิดอ่ะนั่นแหลอะอรติเป็นยังไงแหละอา ร, ต, อารติตรงนี้เป็นชื่อของจิตที่เป็นไปกับโทสะส่วนใหญ่เป็นโทสะ ไ, ไงเลยนะธรรมะอะไรก็ไงเออมันมีดีสักอย่างเลยนะ โอ้เข้ามาหมดแหละนะเรียกว่าอะไรนะในธรรมะที่พูดถึงมาน่ะนะเสนามารนนะ่ะมารเสนาจะเข้ามาแล้วพวกนี้แนหะเสนามารทั้งหลายก็จะเข้ามาแล้วแทรกแล้ว อ, อย่ามาเจริญเลยทําอย่างอื่นก่อนเถอะนีอ่อกว่าไปแล้วกระสิบกระซาบพาไปด้วยนั่นแหะนะมันพระหลายองค์เนี่ยนะแก้ด้วยคิดเรื่องก่อสร้างแทนโอ้โหตามสว่างไส ว, สวสหมดเลยนั่นะ สมัยหนึ่งไปอยู่ที่หนึ่งเนะี่ยบเห็นนั่งเจริญกรรม น, นั่นนั่งจะโยกยเรื่อยอะ่ะแต่เมื่อวันนังเห็นนั่งปิ้งไงนั่งดูดีเดินจงกลมมากที่ไหนได้มาเล่าให้ฟังกาลังคิดเรื่องเกี่ยวกแบบับขอ้ขอสร้างอยู่เลยนะ <c oughs> เป็น <c oughs> อันผู้ที่ถ้าหากว่าไม่สามารถเจริญกุศลธรรมหรือมีความรู้ความเข้าใจในกุศลธรรมจริงๆนะ เวลาไปอยู่ในที่เงียบๆ เ, เป็นต้นเนี่ยนะจะเห็นละพวกนี้จะเข้ามาทันทีเลยถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจในคาสอนอย่างเพียงพอเนี่ยนะไปอยู่เหมือนเด็กเลี้ยงควายเป๊ะเลยนะไอ้ที่เงียบๆไปอยู่ทำอะไรใช่หมถ้าหดหูท้อแท้ก็ไม่ใช่อีกซับประงกโยกซ้ายโยกขวากว็าไม่ใช่อีกเนียนะแล้วไปนั่งทาอะไรใช่หมนั่งถ้าหากว่าไม่เข้าใจกรรมฐานอย่างตลอดสายเนี่ยไม่เจริญแน่นอน นะเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญกรรมฐานโดยที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอนะในระยะยาวเนี่ยจะเปลี่ยนไปจับงานอื่นแทนนะอย่างพระหลายๆองค์ที่รู้จักเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยพอพรรษาเกินสิบไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงกรรมฐานนะครับนี้ยพูดถึงก่อสร้างอย่างเดียวครับนี้ใหม่ๆนี่ที่ออกบวชนี่ศรัทธาแล้วไปนั่งโอ้โหเข้าป่าเข้าดงอย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเข้าใจกุศลธรรมที่ถูกต้องนะ เชื่อไหมว่านั่นน่ะเป็นเรียกอะไรนะเป็นวิเวกเลยนะี่ยเป็นกายวิเวกเป็นสิ่งที่เกื้อกูลต่อการเจริญกุศลธรรมเป็นอย่างมากแต่ว่าทุกข้อนะให้คิดเลยว่าอุปจาระฌานทั้งเจ็ดข้อเนี่ยนะให้รู้เธอว่าเอาศีลห้ามาจับเลยนะคือเอาปาหานะ เวรมณีเจตนาสังวรและก็อวีติกมะมาเข้าแต่ละข้อแต่ละข้อแต่ละข้อแล้วก็เชื่อมไปที่หน้าสิบหน้าสิบเอ็ดอีกเหมือนเดิมเนี่ยนะคำว่าปหานะนั้ น, น, นกว้างกว้างปหานะนี้โดยมากบางทีก็หมายถึงกุศลจิตตุบาทาใครเอาอาวิสุทธิมรคมาั่งนะคำว่าปหานะนะในหน้าหนึ่งรอยเจ็ดสิบสี่นะ ย่อนหน้ากลางๆเล่มหน้าหนึ่งร้ยเจ็สิบสี่กล่าวถึงว่าอันหนึ่งในศีลห้าอย่างมีปหาหนศีลเป็นต้นนี้เว้นเพียงความเกิดขึ้นไม่ได้แห่งทุจริตทั้งหลายมีปาณาติบาตเป็นต้นอันมีประการตามที่กล่าวเสียแล้วชื่อว่าธรรมะอะไระไรเรียกว่าปหาหนะหามีไม่ก็บอกว่าเอาตัวที่ ไม่เกิดขึ้นแห่งอกุศลนั้นนั้นอันนี้ชื่อว่าปะหานะนะเช่น ว, ว่าความไม่เกิดขึ้นแห่งโทสะก็ต้องด้วยอะโทสะอันนั้นน่ยก็เป็นลักษณะของปะหานะคำว่าปะหานะเน้นไปที่กุศลนั่นนะเน้นที่กุศลธรรมกุศลจิตนั่นเองก็คือเขาบอกว่าความความเป็นไปของกุศลจิตนั่นแหละ แต่เพราะเหตุท an ี่การละนั้นเนี่ยนะปหานะการละปานาติบัตเป็นต้นนั้นเนี่ยนะเป็นการเข้าไปทรงไวนะสมนีปเป็นชื่อของอะไรเข้าไปทรงไว้เป็นชื่อของเข้าไปทรงไว้อุปธารนงอุปธารณะไอคำว่าปหานะเนี่ยเป็นอุปธารณะคือการเข้าไปทรงไว้โดยอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนั้นๆเขาบอกว่าที่ว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนั้นนั้นนี้ แห่งกุศลธรรมนั้นอย่างนี้คือการละปาณาติบาตเป็นการเข้าไปทรงไว้โดยอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายมีเมตตาเป็นต้นเนี่ยคือไม่ไม่ฆ่าสัตว์ก็หมายถึงพวกเมตตาเป็นต้นนั่นเองการละอธินาทานเป็นการเข้าไปทรงไว้โดยอัตถะว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมมีจาคะเป็นต้นนะกุศลธรรมประเภทจาคะเป็นต้นนั่นแหละที่ที่อาศัยกุศลธรรมที่เกิดจากการ เว้นจากการฆ่าเว้นจากการลักทรัพย์เนี่ยนะคนที่เว้นจากการฆ่าได้มากมากก็จะเจริญเมตตาได้ง่ายคนที่ละอธทินนาทานมากเป็นคนที่ให้ง่ายเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าการละปานาติบาตคือรองรับกุศลธรรมชั้นสูงที่ขยายคำว่าอุปทาณะและเป็นความเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีอันนี้เป็นศับไหนเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีเป็น สมาทานังคำว่าเข้าไปตั้งไว้ด้วยดีนี้โดยการกระทาความไม่กระจัดกระจายให้ใช่ไหมคือเมื่อกุศลธรรมนั้นๆมีการละจึงจะมีได้ถ้าไม่ละกุศลธรรมเหล่านี้จะไม่เกิดนะเมื่อกุศลธรรมนั้นไม่มีการละก็มีไม่ได้คือละอกุศลก่อนกุศลจึงจะเกิดเห็นไนหะ ถ้ากุศลเกิดแสดงว่าละอกุศลพูดนี้ก็เข้าใจเลยนะการละนั้นจึงได้เชื่อว่าภาวะที่ควรจะกล่าวได้ว่าเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมนั้นด้วยดังนี้แล้วจึงกล่าวถึงการละปาณาติบาตเป็นต้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าศีลโดยอัตถวศีละนะคือกล่าวคือการเข้าไปทรงไว้และเข้าไปตั้งไวด้วยดี ที่ข้าพเจ้ากล่าวแล้วในตอนต้นนั่นเองคือสรุปแล้วในทั้งห้าอย่างนะทั้งปหานะเป็นต้นเนี่ยปหานะเวรมณีเจตนาสังวร อ, อวิติกมะเขาก็คือตัวศีรละนะนั่นเองศีรละนะก็คืออุปธาณะกับสมาทานะนั่นเองธรรมะสี่อย่างนอกนี้ท่านกล่าวหมายเอาภาวะที่มีอยู่แห่งความเป็นไปของใจหมายเอากุศลธรรมกุศลจิตที่เป็นไปอ่ะ ด้วยอํานาจความงดเว้นจากโทษนั้นๆความงดเว้นเป็นชื่อของศีลไหนเวรมณีศีล น, นะความงดเว้นจากโทษนั้นๆัหนึ่งด้วยอํานาจความสํารวมในโทษนั้นนั้นสำรวมเป็นศีลไหนสังวรศีลและด้วยอํานาจเจตนาที่สัมปยุติกับความงดเว้นและความสํารวมทั้งสองนั้น1อันนี้เป็นเจตนาศีล และด้วยอํานาจความไม่ก้าวล่วงแห่งบุคคลผู้ไม่ก้าวล่วงโทษนั้นๆันหนึ่งก็คือความไม่ก้าวล่วงได้แก่อวีติกมะส่วนอัตตว่าศีลของธรรมะสี่อย่างเหล่านั้นข้าพเจ้าประกาศไว้แล้วในตอนต้นเหมือนกันแลอัตตของคําว่าศีลอัตตของเวรมณีศีลสังวรศีลเจตนาศีลอวีติกมะศีลได้แก่ศี่ละนะันั่นเองคือศี่ละนะัหมายคำว่า รองรับกุศลธรรมชั้นสูงอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งไว้ด้วยดีอย่างหนึ่งเนี่ยนะเพราะฉะนั้นโดยประการชนิดศีลจึงจัดว่ามีห้าอย่างมีปานะศีลเป็นต้นนั่นเองอ่นนะถ้าพูดตามวิสุทธิมรรคก็จบเลย น, นะจบคำว่าศีลศีลอ่าไม่ใช่ศีลมีกี่อย่างา น, นะคำถามนี้นะแต่ว่าจะขยายตาม ปฏิสัมพิธาซึ่งที่ริงอ่านรับตอนจบเลยนะเมื่อกี้ในหน้า171หน้า172ยังไม่ได้กล่าวเลยนะซึ่งจะได้กล่าวพรุ่งนี้อีกเนาะ